Book 2 85 85วนาเสแเพียค่คถามอดีตการหนึ่งเร e p สมอไหมปรีติสวคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว Ki ี คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว Keep use t r b o t คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Keep u s p a r a s h t คุณนอนหลับสบายไหม Keep u s me a good n i คุณสอบผ่านได้อย่างไร Keep use the e g l i s h exam na. คุณหาทางพบได้อย่างไรเก i p ยูส r า d ด t ต k กล ę คุณพูดกับใครมาสุควัวยูสเคิลบิวตคุณนัดกับใครมาสุคว j วยูสุสต a ริต e คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมาสุคววยวติตกมตาดีน คุณไปอยู่ที่ไหนม า, ค, ววาคุณเคยอยู่ที่ไหนม า, ค, ค, ววาคุณเคยทำงานที่ไหนม า, ค, ววาคุณแนะนำอะไรไปแล้ว คุณทานอะไรมาค่ายูสบาลกิตคุณได้พบอะไรมาค่ายูสุจิโนโยตคุณขับรถมาเร็วแค่ไหนกูเกอร์จูยูสวาเจาโวตะคุณใช้เวลาบินนานเท่าไรอาริลเกยูสคริโด t e